ธรรมชาดกแผ่นที่สิบอดลำดับที่สิบเอดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สอง8ห้าอยห้าสิบแปดมีชื่อเรื่องว่าเสบียงเดินทางของช่างทองวันนี้นับว่า เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะัาธาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อเองก็ไม่ตั้งใจอยู่ตลอดเวลานะจะว่าถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดถ้ามาพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับหลวงพ่อมาแกล้งพูดหรือมาอปอเลาะพูดแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อภูเก็ตหลวงพ่อกมาตั้งแต่นมนานแต่พอมาช่วงหลังๆหลว ง, งพ่อก็ไม่รู้อะไรตัวไม่อะไร มันรู้สึกว่าตั้งแต่งานศฉลี่ละของหลวงตาจากไปจากหน้ั้นมางานหลวงปู่จามมันมาเป็นปบๆเพราะนั้นเวลางานเสร็จแต่ละครั้งลงุงซอก็เพียงพราพอสมควรกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ละครั้งไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตัวมิอะไรเพราะนั้นอย่างที่งานของวัดหลังสารก็เหมือนกันพอมีงานรัวัฒนหลังสารคุณโก้ที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ย ก็นิมนต์เกือบทุกปีที่ผ่านๆมามีแต่ปีที่แล้วนะรู้สึกหายต่อยไปรู้สึกว่าหลวงพ่อไม่มาก็เลย <c oughs> อ่อน อ, อกอ่อนใจก็มั่งแต่ตามไมปเองหลวงพ่ออทางวัดวัดหินหมักเป้งเขาก็นิมนต์ทางนู้นอีกแท้ๆวัดหลังสารก็นิมนต์ทางนี้อีกเท้ๆหลวงพ่อไม่รู้จะแยกภาคยจงไงทแท้ๆเพราะฉนั้นพอหลวงพ่อก็ต้องจําเป็นพระ อ, อยู่ใกล้วัดหินหมักเป้งหลวงพ่อก็ต้องใน รับภาระทางโน้นทางเจ้าอาวาสเขากนนี้มนหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมทุกปีที่ช่วงหลังๆเพราะว่าหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเถระที่รุ่นเก่าๆท่านก็ร่องรอยตามอายุสังขารของท่านอย่างหลวงปู่ท่อนอย่างนี้ตามปกติท่านก็เป็นองค์แสดงธรรมในงานต่างๆแต่ทุกวันนี้ท่านก็ไม่ไหวแล้ว80กว่าเข้าไปแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อก็พอที่ จะพอโพดขึ้นมาได้เขาขวดนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่โพดไปก็ไม่รู้จะเกิดกี่ปีเหมือนกันนะคณะสัธทธาญาติโวมลูกหลานปีนี้หลวงพ่อ70ตอนั้นลูกหลานนะไม่ใช่ผ้าน้อยผ้านุม่มบวชมาในพระพุทธศาสนาฝากฝังชีวิตไว้ในพุทธศาสนา50ปีพรรษา50แล้วก็เป็นสัมมาเนนอีก8 58ปปีที่หลวงพ่อ อยู่ในพระพุทธศาสนาฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไวในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มที่จะเดินตลอดไปที่ไหนหลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันกว่าที่จะมาแต่ละแห่งละหนได้แต่คราวนี้ก็มีความจาเป็นสาคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแต่ที่ยังไงก็ตามนะถึงหลวงพ่อไม่มา แต่หลวงพ่อก็ส่งจิตส่งใจมาถึงคณะสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมโลกูกหลานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไม่ใช่ประละพูดนะพูดออกมาจากใจจริงพระหลวงพ่อคิดถึงอยู่จังหวัดภูเก็ตพังงาพอลูกศิษย์ก็อย่างคูบาเวกรล้ว่ากคูบากี้เนี่ยกับคนทางนี้แหะขึ้นไปอยู่กับหลวงพ่อถามท่านเวกเมื่อคืนเวกไปอยู่กับหลวงพ่อกี่ปีไว้ที่มาอยู่วัดอะไรวัดไม้ขาวเนี่ย อยู่เปีครับหลวงพ่อพ่อหนะแล้วก็มาทับมาถามท่านเกียที่มากับหลวงพอ่อเกีย้ยมาอยู่ไปอยู่วัดหลวงพ่อกี่ปีแล้ว10ปีแล้วครับนั่นเพราะฉะนั้นภูเก็ตพังงาก็เป็นทายาททางพระพุทธศาสนาขึ้นไปอยู่กับหลวงพ่อนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงล้ำลึกคิดถึงอยู่ทางภูเก็ตพังงาโดยสม่ําเสมอแต่ทีงังไงท่านหลวงพ่อไม่ลงมา ก็ให้ขอให้พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานขึ้นไปเหมือนเสมือนว่าเป็นญาติโกโหติกาเก่าแ ก, ก่ไม่ต้องสะทกไม่ต้องสะทานไม่ต้องอายฮทําเมื่อขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปก็พูดเออผมดิฉันมาจากภูเก็ตพังงาหลวงพ่อก็จะเดลําลึกไายโอ้มามีอะไรหลวงพ่อก็จะได้เรียกญาติโกโหติกาเก่าแก่นะ ทางว่าพวกเราห่างเหินกันเกินไปอย่างคนโบราณคำพังเผยนะครคนโบราณอีสานเขาไหว้น ะ, ะหลวงพ่อจะพูดเป็นภาษาอีสานให้ฟัง เ, เขาบอกว่าแก้วบวชขัดนะแก้วบวชขัดบวสีนะแก้วบ่ชขัดสามปีเป็นแฮ่พี่น้องไม่แวะไม่แว่ไม่เวียนมาเยี่ยมเยียนกันสามปีเป็นคนอื่นค่ว่านะสามปีเป็นเพลิน แก้วโบคัดสปีเป็นแหพี่น้องโบแว่โบแว่สปีเป็นเพลนนะความหมายก็คือว่าถ้าหากว่าแก้วเพชรนินจินดานะเ่ถ้าหาว่าเราไม่ขัดไม่สีมันก็เหมือนกับหินลูกหลังนะหินแห่ภาษาภาษาพระทางอิสานว่าหินแห่ก็คือหินลูกหลังนะมันไม่มันมันไรคุณค่ามันหมดคุณค่าถ้าแก้วไม่ขัดไม่สนะีมันไม่เลื่อมไม่ใส ถ้าแก้วไม่ขัดสามปีเป็น เ, เป็นขี้หินแห่เนี่ยปินขี้หินหินลูกหลังเนี่ยพี่เนาะพี่น้องไม่แวะไม่เวียนไปเยี่ยมกันเนี่ยเกินสามปีไปแล้วเป็นคนอื่นคนไกลไปแล้วถึงห่างเหินกันในหลวงพ่อห่างเหินพี่น้องไปห้าปีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เกินตำราทางอิสานพูดแล้วอตั้งแต่มารับมอบที่ดินวัดหลังศาลข่าวนูน่นละ จากนั้นก็มีภาระธุระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวงานของหลวงตาบังงานอะไรต่อมีอะไรบ้างต่อมากับงานหลวงปู่จามเมื่อปีที่แล้วแต่แต่ละเสร็จแต่ละปีนี่เขโอ้อวมเหนื่อยพอสมควรนะคณนะสัทธาญาติโยมไม่รู้ว่าทางนอกไม่รู้ว่าทางในไม่รู้ว่ามีอะไรต่อไม่อะไรท่านลูกหลานมาันอยู่ในสถานะของหลวงพอ่อลูกหลานก็จะรู้เหมือนกันนั่นแหละ แต่มาคราวนี้ก็ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์รุงวัดหยวนพึ่งของเราก็ได้ก่อสร้างอาคารศาลาแล้วก็มีคณะสัตยาตศยมผู้มีศรัทธาก็ถวายเพิ่มเติมแต่เจ้าจ่าไม่จริงเจ้าของเดิมท่านก่อนพวกโกไข่พวกนะ่ะโรคหลานที่ถวายหลวงพ่อก็มารับแต่ทีแรกนั่นแนหะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะั่นแหละหลวงพ่อขึ้นมามา เดินมาขึ้นมาเป็นโนนต้นทุเรียนเก่าแก่อยู่ 2- อสาต้นน่ะหลวงพ่อมาเห็นแต่ทีแรกเลยล่ะหลวงพ่อมารับแต่ทีแรกต่อมาก็ท่านดุงก็มาอยู่หลวงพ่อกันน่ะแหวเวียนมาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่พอมาเห็นคราวนี้ก็อืออขึ้นสลาใหญ่หลวงพ่อก็เห็นด้วยควรจะมีวัดวาศาสนาเป็นย่อมๆเป็นจุดๆ เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นของทุกคนไม่อย่าไปทึอย่าไปคิดอย่าไปถือว่าเป็นของอาจรรันดุงนะหลวงพ่อดุงนะหลวงพ่อดุงตายแล้วหลวงพ่อดุงเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างน่ะเพรา ะ, ะนั้นเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา อย่างวัดของหลวงพ่อเหมือนกันพันกว่าไร่กว่าหลวงพ่อก็ขอเป็นโฉนดเขาขว่าป่าไม้ที่เขาจะให้เขาก็มาสักไซไล่เลียงพอสมควรแต่หลวงพ่อก็ว่าที่ดินนี้ไม่ใช่วัดนี้ไม่ใช่วัดของหลวงพ่ออินถ้าใครคิดว่าหลวงวัดหลวงพ่ออินคนนั้นโง่เพ่อเหตุอะไรพราะหลวงพ่ออินตายไปแล้วก็ไม่หลงพ่อก็ไม่ได้ฝากเออวัดของเราเนี่ยฝากให้คนนั้นคนนี้เป็นทายาทนะ ลุงพ่อก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ผมเป็นของวัดปวาศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินนะจะเป็นวัดลุงพ่ออินได้ยังไงคณะใช่ลุงพ่ออินยังอยู่กับลุงพ่ออินก็ดูแลปกป้องดูแลรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาในเมื่อลุงพ่อจากไปแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นลูกหลานคณะสัตยาติโยมลูกหลานนีต้องคิดไกลอย่าไปคิดใกล้นะเอ ดวงตามหาบัวท่านบอกว่าเมื่อเราทําบุญถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาอันนั้นแหะเป็นเป็นปูทางให้เขาว่าทำถนนแล้วทำทางไปสู่พระเจ้าจักรพรรดิท่นานว่าเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินคือผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าผู้ใดถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาผู้นั้นแปลว่าสั่งสมบารมี เพื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปภายภาคหน้าเนะี่ยอันนี้หลวงตาท่านพูดนะหลวงพ่อได้เห็นใช่หลวงพ่อก็เห็นด้วยนะพอเห็นด้วยจึงได้นํามาบอกกล่าวให้กับคณะสัตธ า, า, า, าญาติโยมลูกหลานเพรผะนั้นที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินมาจากตระกูลของคุณโยมโกไข่พวกนั้นแหละถวายหลวงพ่อตั้งแต่ริเริ่มนะต่อมาก็ได้มาสร้างวัดหลวงท่านอาจารย์รุงก็เป็นหัวหน้า ที่มาจูงที่นี่กับพระสงฆ์ต่อไปก็เนี่ยแหละพวกคณะสัตย า, าติโยมก็ปอหลวงพ่อมอบหมายมอบฝังให้กับคณะสัตย า, าติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะให้ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนมาไหวพระรักษาศีลภาวนามากราบพระประธานล่นแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าช่วงไหนมีความทุกข์ใจขึ้นมาเออมา นั่งภาวนาดีที่ศาลาอยู่เงียบๆฮะราะวศาล า, าของเราเนี่ยดูๆแล้วได้ยินแต่เสียงเครื่องบินเท่านั้น่ ะ, ะที่จะเสียงรถเสียงราเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีเป็นสถานที่สงบสงัดเหมาะสมแก่การบาเพ็ญทางจิตภาวนาเพราะนั้นเรื่องอการก่อสร้างศ า, าลาหลวงพ่อมาดูแล้วก็ไม่ไม่ถึงก็ใหญ่แต่ก็เป็นถาวรวัตถุแบบทันสมัย ก็คงจะได้ใช้เงินมากพอสมควรที่มาเห็นแล้วนะแต่ถึงยังไงก็ขอมอบหมายมอบฝังให้กับพวกคณะสัต ธ, รรธรราติโยมเพราะว่าภูเก็ตพังงาก็เรื่องลือกันอยู่แล้วเป็นแหล่งเงินแหล่งทองเป็นแหล่งเพชรนินกินดาเป็นแหล่งที่เงินอุดมสมบูรณ์ถ้ามาพิจารณาดูพุทธศาสนาเพียงอาคารหลังนี้เพียง หลวงพ่อว่าเจ็บจ้อยสำหรับพี่น้องภูเก็ตพังงาแต่ว่าจะทุ่มเทเห็นคุณค่าประโยชน์มากน้อยยังไงแค่ไหนเท่านั้นแหละแต่หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเรามองคุณค่าของวัดวาศาสนาพวกเราได้สร้างท้าวลวัตถุอย่างอื่นบ้านเรือนของเราเราก็ได้สร้างแต่นี่เราควรจะทุ่มเททางพระพุทธศาสนาบ้างคือพระพุทธศาสนาคือด้านจิตใจนะัทาญ า, า, าจโจมลูกหลาน แต่ทางนอกน่ะนะคือทั้งเราหาปัจจัย4ปัจจัย4ก็คืออาหารอาหารการบริโภคอยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่งหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยอันนั้นคือปัจจัย4แต่พวกเรามาสร้างวัดวาศาสนาอย่างสร้างศาลาบ้างสร้างวัดบ้างอันนี้มันทางด้านจิตใจเมื่อเราสร้างเสร็แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของเรา ไม่ได้พิดของผู้ใดผู้หนึ่งเออไม่ได้คิดว่าเป็นของใครเป็นของพระพุทธเจา้าบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสางังฆบูชาทําไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อเราทําเสร็จแล้วใจของเราก่อนระลึกขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็สบายนะใจของเรามีความสุขลึกๆอย่างเพราะอะอถ้าเราคิดคิดให้เป็นธรรมนะเราไม่ได้คิดอีกอคติตกคนนั่นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เออเราคิดว่าเรา ทำเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพราะว่าวัดแห่งนี้ไม่ใช่ของผู้ถึงผู้ใดเอาไปขายก็ไม่ได้ใครจะอาไปซื้อไปเช้งไปไปเซ้งไปอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะอไรเพราะเป็นของพระพุทธศาสนาในเมื่อเราคิดอย่างนั้นแล้วก็ใจของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุ ข, สขทางด้านจิตใจลึกๆนะเพราะเราทาบุญอาหารทางกายอาหารทางใจนะ คือการสร้างวัดว า, าสนาเป็นอาหารทางจิตใจของพวกเราแต่เราทำมาค้าขายเนี่ยเป็นอาหารทางร่างกายเในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญทางจิตใจนี่มากกว่าทางร่างกายนะคะศัตถายาจงเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถึงจะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงดีขนาดไหนก็ดีเถอะนะอาหารอย่างดี ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอย่างดีผ้านุ่งห่มอย่างดีที่พักพาที่พักพาอาศัยหรูหราโอา่อาย่างดีให้ร่างกายเราอยู่ต่อไปอยู่ไปนานๆเข้าไปเดี๋ยวก็จะเห็นผมขาวเดี๋ยวก็จะเห็นฝันหลุดเดี๋ยวก็จะเห็นหนังเหี่ยวเดีเ๋ยวก็จะเห็นหลังค่อมผลในสุดกนน่ะออนอนอยู่ในเตียงเนน่ยลืมตายอยู่ทําไม่ําไม หมดลมง่ายนะก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละผลในสุขนะถึงจุดจบถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมันมีจุดจบนะแต่ว่าจุดจบมันออกจากจุดจบแล้วไปไหนแท้นี่ยนะี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญในจุดนั้นอย่างมากเลยแท้นี่ยอย่างที่ท่า น, ท, านท่านเทศให้กับนายพ่อค้าอ่าเท่าแก่ช่างทองทนะี่ลูกชายไปวัดวาศาสนาอ่าไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นประจํา แต่พ่อเนี่ยยไม่เข้าใจไม่สนใจเอ้ ย, อ, ยอ้วกใหม่ไปเราพววอ้วกเนี่ยติดภาระไ ป, ไปไม่ได้เพราะการงานยังมีเยอะแยะอาสพุเจ้าจะไปก็ไปแต่ลูกชายเออทําไมพ่อคิดอย่างนี้ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะชี้ทางทางด้านจิตใจเอใช้ร่างกายมันก็ส่วนหนึ่งหาปัจจัยสี่แต่ส่วนจิตใจนั้นมันมันอีกส่วนหนึ่งนะลูกชายก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะในสุดนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่ ร้านทองนะอร้านทองเมื่อนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระ ส, สงฆ์มาฉันแล้วนะในช่างทองไม่มาก็ไม่ได้ทีนะี้เพราะว่าลูกชายนิมนตพพพสสม์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาพระพุทธเจ้ามาฉันพอฉันเสร็จแล้วองค์ก็แสดงธรรมเลยนะเอพอนั่งฟังในช่างทองก็นั่งต่อนหน้าพระองค์ก็ถามว่า อ, อุบาสกคำว่าอุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุบาสก ท่านได้คิดไว้หรือยังท่านจะต้องเดินทางไกลนะพระองคตัดเนี่ยตรงๆเนยจะได้เดินทางไกลนะะได้คิดไว้หรือยังอได้เตรียมไว้หรือยังสเบียงเดินทางได้เตรียมไว้หรือยังถ้าไม่ได้เตรียมไว้เตรียมไว้นะเดินทางไกลแน่นะถ้าไม่ได้เตรียมเสบียงไว้อจะเดินทางนะจะลําบากเพราะไม่มีรองเท้าไม่มีล่มไม่มีอุปกรณ์ในการเดินทาง เพราะท่านเดินทางท่านจะต้อรับความลำบากแต่ถ้าท่านได้เตรียมพร้อมไว้แล้วท่านจะเดินทางด้วยความส ะ, สะดวกปลอดภยัยจะไปพักที่ไหนในระหว่างกลางทางท่านได้คิดไว้ละอย่างพรามอุบาสกคนนั้นก็สะดุ้งเหมือนกันนะทพระองค์บอกว่าพรามอุบาสกถ้าพูดแบบภาษาแบบง่ายๆให้ฟังเข้าใจง่ายๆว่าอุบาสกท่านจะตายนะอีก เออไม่อยู่ไม่นานนะแต่ก่อนที่ท่านจะตายนะท่านได้เตรียมบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจหรือยังท่านได้คิดไว้หรือยังเอออันนี้ไม่ใช่พูดเออเล่นเล่นห ล, ลอกๆลอกนะมันเป็นจริงนะเนี่เอออุบาสกคนนั้นพอได้ยินเท่านั้นก็สะดุ้งเลยท่านเออสะดุ้งกัหันเหเข้ามากลับมาฟังศีลธรรมจริยธรรมพอได้โชดท่านก็ได้สำเร็จพระโสดาบันฮะเป็นเป็นผู้มีอุปนิสัยเนี่ย ในสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังก็เป็นการอุปมาอุปไมยให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังคิดดูซิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นน่ะจริงไหมแต่พวกเราก็ยังกิ่งๆิ่งใจนะคือไม่สนิทใจเดีย๋ยวเอ๊ะทำไมตายแล้วมันศูญแล้วมันตายแล้วเกิดเนี่ยทําไมหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์เอ า, เ, อ า, เ, อาเรื่องอะไรมาพูดนี่วะเราไม่สนิทใจจุดนี้ใช่ตายเนี่ยตายแ น, ยย น, ยนย่ละ่ะ แต่ว่าที่จะเกิดอีกนั่นนะเรายัางไม่มั่นใจว่านะอันนี้เพราะพ่อทีเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราอย่างหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าที่หลวงพ่อได้ศึกษาจะเป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนก็าตามที่ท่านแบกกรดตะภายบาทเข้าไปในป่าไปศึกษาไปนั่งภาวนาอยู่ในป่ารงพงไพ่อยู่ในป่าชา้าปลาลึกอยู่ในถ้าท่านยืนยันด้วยการทุกคนว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีก พ่อหลักพิสูจน์นั่นก็คือให้นั่งภาวนา น, ะนั่งภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าไปนั่งภาวนาที่คโคลนต้นโพนเะยี่ห่าปุเพนิวาสานุสติญาณวันเดือนหกเพนล้ำลึกชาติทวนหลังได้ทนะี่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ให้นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเอแต่สำหรับพวกเราเป็นเกิดจุดท้ายภายหลังเราควรจะไหว้ครูซะก่อนนะ เวลาขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกับพระประธานเนะ่ยเราก็ปั่นมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหว้ครูซะก่อนพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ ค, คือไหว้พระพุทธเจ้าล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําคสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ศึกษาจากนั้นก็เอามือลงไง ก่อนที่เอามือลงเราก็แผ่เมตตาซะก่อนข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นจะเป็นท่านผู้ใดก็ตามขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆท่านทุกๆดวงวิญญาณด้วยเถิดนะจากนั้นเอามือลงพอเอาเมือลงกับบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโธอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนศิทญิ์ยาวนิธิตของท่านอพอจิตใจพอ มันเผลอไปภาพเอากลับมาแหงอยู่ที่ปลายจมูกเวลาเผลอไปบังคับหน่อะพอในสุดถ้ามันมันจะออกไปจริงๆให้ให้นึกพุทโธพุทโธพุทโธฉี่ยิบในขนาะในใจของเราในขณะที่มันคิดน่อยอย่าให้มันมีช่องว่างในช่วงนั้นนะพุทโธพุทโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธแต่ไม่ต้องพูดออกปากนะให้ใจให้ใจให้ใจพูดนะพุทธโธพอในสุดใจมันไม่มีทางช่องว่างมันใจมันก็จะรวมสงบปั๊บ พอรวมสงบลงไปเท่านั้นน่ะจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตคือตัวผู้รู้นะ่ะสติคือความล้ำลึกใครเข้าว่าสติเอามาจับตัวผู้รู้นะ่ะใจพอมันรวมลงไปแล้วเท่านั้นแหละร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะพอจิตใจรวมปุ๊บลงไปแล้วท่นีนเ้เห็นร่างกายของตัวเองร่างกายเหมือนกับพรถ หลวงพ่อเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยทีนี่ใจของเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถใจกับกายกายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัดเลยทีนีน้ตัวที่จะนาไปเกิดในพภพภูมิต่างๆที่ได้รับบุตรบาปบุญคุณโทษบาปกุศลอากกุศลน่ยคือใจทีนีอมันไม่ใช่กายนะทีนีน้กายมันเป็นวิบากเท่านั้นเองเหมือนกับ เ, เหมือนกับโซเฟอร์ขนคันชายาฝิ่นของเร็วๆมาใส่รถตัวเองลักษณะอย่างนั้นแหะ ถ้าว่าใจของเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีนะแต่าว่าจุตใจของเราได้รับการศึกษาที่ดีเนะี่ยเอาแต่ของดีดเอาแต่เพชรนินจินดาเอาแต่แก้วแหวนเงินคําทรัพย์สมบัติเข้ามาใส่รถตัวเองนะแต่ถ้าว่าคนที่ไม่ดีนะไม่ได้รับการศึกษาเนะ่ยเอาแต่สิ่งเร็วๆ เ, เข้ามาใส่รถตัวเองเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็เป็นกายกับใจใจกับกายนะกายเนี่ยหรับรองรับพวกเราเห็นกัน เอ้คนนั้นทําไมทำอย่างนี้ทําไมนี่ไม่น่าทําอย่างนั้นเพราะในสุขคอเลยจับรถไปขังอ่าเอาไปไปกักขังไว้ในที่กักขังคือคือคุกคือตลาดนะเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์นะเอาสิ่งที่ไม่ดีมาใส่รถตัวเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านพิสูจน์ไดแล้วว่าตายแล้วไม่สู่นะตายแล้วเกิดตัวที่ไปเกิดก็คือโซเฟอร์นั่นแหละท่นี่ นั่นแหะเพื่อจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะให้พวกเราท่านทั้งหลายเอาไปศึกษาเราไปปฏิบัติดูนะช่วงในว่างๆไม่มีอะไรเนะี่ยเราเข้าไปในห้องพระก็นั่งคัดสมาธิแล้วนั่งเก้าอี้ก็ไดนะ้นั่งพับเพียกอะไรนั่งสบายๆนะทำกายให้ตรงแล้วกับกำหนดลมหายใจเข้าแต่สติเท่านั้นให้เข้มแข็งนะบังคับนะ อย่าไปปล่อยตามอําเภอใจไม่ได้เพราะใจของเรามันเละละเ อ, อมันปล่อยมามากต่อมากแล้ว เ, เราควรจะบังคับในขณะที่เรานั่งสมาธิเมื่อเรานั่งบังคับเราใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนเลยทีนี้เมื่อเราจิตใจของเราสงบโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเชื่อว่าตายแล้วเกิดมันเป็นอย่างนี้เองเนาะนี่ เ, เราจะสํานึกได้นะ เ, เพราะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับ ก็นาศรัทธาญาติโยมลูกลูกล้านหลานทุกคนเ น, นี่นแหละไม่เชือเอ่อก็เอาไว้ซะก่อนวางไว้ก่อนเพราะได้ยินมาแล้วนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เราทา ง, ทางยังทําไม่ได้เ อ, อเอาไว้ก่อนในเมื่อเราทําได้แล้วนะ เ, เราไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออะไรทีนี้เพราะอะไรมันเชื่อออกมาทางด้านจิตใจนะมันไม่เชื่อผิวเผินเท่านั้นนะ อ, อมันไม่ใช่แบบผิวเผิ น, นมันออกมาจากจิตใจจริงๆนะ เ, เพราะนั้น ให้พวกเราคณะสัทธา ญ, ญาณโยมลูกหลานทุกคน้สั่งสมบุญกุศลอ า, าาอาหารกายอาหารใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอาหารกายเนี่ยคือข้าวน้ําโภชนาอาหารเราทํามาหาเลี้ยงชีพร่ํารวยมีความสุขทางร่างกายแต่ว่าอาหารจิตใจนั้นอย่าลืมอย่าลืมทางอาหารทางจิตใจถ้ารวยแต่ร่างกายแต่จิตใจโงงเหว๋วว้าเวงอ้างว้างไม่มีอะไรทางด้านจิตใจก็ไม่น่าจะถูกต้องนะ ให้มีทั้งสองอย่างทั้งอาหารกายด้วยทั้งอาหารใจด้วยถ้านเราทําได้ทั้งสองอย่างนี่เป็นแปลว่าเป็นผู้สมบูรณ์นะเออเป็นผู้สมบูรณ์พูนผลแต่ขยันในสสะวะสแวงหาแต่อาหารทางร่างกายอย่าเดียวยังไม่พร้อมนะเอะอยังไม่พร้อมในหลักธรรมความสอนของพุทธเจ้าท่านไม่ยกย่องเลยแต่ถ้าอาหารทางด้านจิตใจท่านยังยกย่องถึงจะขาดเหลือขา ด, ขาดตกก็เถอะนะอย่างพระพุทธเจ้าธนว่า ลุขโม ล, ละเสนาสนังนิส่ายาปปัชชาตัทธเตยวชีวังอุตซ่าโคกรณีอยูอ่อติเลกลาโภเน่ยอเป็นอติเลกลาบของเจ้าเท่าไปอยู่ในถึงล่มต้นไม้ไม่มีอะไรแต่ท่านภาวนาทําจิตใจให้สงบอันนั้นเป็นอติเลกลาบของเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ายกย่องนะถึงยังไม่มีอะไรเถึงจะอยู่ในโครนต้นไม้ไม่มีที่มุงบงังพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องว่านี่ เออเป็นผู้หาอาหารเข้าทางจิตเขาเขาด้านทางจิตทางใจ เ, เลิศประเสริฐกว่ า, าถึงจะ เ, เป็นอย่างที่หลวงปู่ซิงทองท่านพูดถึงจะแก้ผ้าอยู่ถ้าได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เอา้าจอมแก้ท่านวัดนะหลวงปู่สิงทองพูดเนี่ยท่านพูดแบบจริงจริงจังๆนะ เ, เพราะว่ามีหลวงพ่อเป็นเด่นน้อยอาปากว่าเป็นนั่งฟังท่านสนทนากันองค์หนึ่งบอกว่าเ ถ้าได้สําเร็จมาแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่มีใครรู้จักมักคน้นไม่มีอติเลกขลาบอยู่แบบจนๆไหมไม่เอาหรอกยองอยู่ถ้าได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ก็ควรจะเป็นเป็นผู้มีอติเลกขลาบชื่อเสียงโด่งดังแต่หลวงปู่ชิงทองนั่งอยู่จุดองคหนึ่งลงมาว่าผมไม่ว่าอย่างนั้นละ่ะสําหรับผมเลยนะถ้าได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วหมดกิเลส ภายในจิตในใจแล้วถึงจะแก้ผ้าจูผมก็เอาเออองหออลวงปูส่สิงทองหลวงพ่อได้ยินเออใช่หลวงพ่อก็เห็นด้วยกับหลวงปูส่สิงทองเออเรื่งจะเป็นยังไงก็อีกไม่นานก็าตายจะแม่ร่างกายใช่ไหมละ่ะเออแล้วจะไปสนใจอะไรข้อสําคัญให้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนหะเอออันนั้นเป็นอา น, นันตการนะ เ, ออเศรษฐีทางธรรมแนตะ่ทางโลกเนะี่ยจะเป็นอะไรพอเป็นพอไปพออยู่ออพอใช้พอสอยแล้วก็เพียงพอนั่นแนหะ ขอจํากัดให้มันถูกศีลถูกธรรมนะคณะสัตยา ญ, ญาติโย ม, ม, นะ ม, มลูกหลานนานทีหลวงพ่อได้มาหลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับสัทยาญาติโยมลูกหลานในตอนนี้ไปผ้าสงฆ์จะอนุโมทนาให้พ่อนะนี้นะแล้วก็วันพุ่งนี้นะได้ทราบข่าวว่าจะมีการทอดผ้าป่าสา ม, มาคัคคีแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่นะลูกหลานนะเพราะว่าหลวงพ่อฉันยังหานเสียจว่าตอนบ่าย2องโมงหลวงพ่อก็จะได้รีบ เออลงมาคราวนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นเพราะว่าทางอำเภอเพนเขานี่มนหลวงพ่อไว้นมานานแล้ว่ะแต่ทางนี้เขาขึ้นไปแทรกขึ้นไปแต่ทางพอเขาก็จะให้หลวงพ่อลงมาทางนี้พอลูกศิษย์ทางวัดน่ะหลวงพ่อก็เออจะลงมาแต่ทางโน้นพอได้ยินมาหลวงพ่อไม่ไปทางเขาน่ะเขามาตั้งแต่ตีสามเมื่อวานนี่โอ้ยหลวงพ่ออจะผมนอนไม่หลับนั่ไงก็หลวงพ่อต้องไปพ่อบอกผมบอก ทั้งอธิบดีทั้งใครตัวใครทั้งพวกไอ้อะไรสลากินแบ่งอะไรมากมายคู่คนไปหมดแล้วงั้นถ้าหลวงพ่อไม่ไปตายผมขายขี้ น, นาไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพูหลวงพ่อได้เย็นก็ว้าอ้าแบ่งครึ่งวะก็เลยได้มาทางภูเก็ตอีกส่วนหนึ่งแล้วกจ็จะต้องกลับขึ้นไปอีกนั่นอ่ะเพราะนั่น เหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อให้ลูกหลานได้ฟังนะั่นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะลูกหลานนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังลำดึกถึงคิดถึงภูเก็ตพังงาของพวกเราอยู่โดยจำมําเสมอถ้ามีลูกลูกหลานขึ้นไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะ่ะ อ, อมีอดผู้ใดว่างๆขึ้นไปไ ป, ไปเยี่ยมเยียนหลวงพ่อหลวงพ่อเนะี่ยแก่ไปข้างหน้าแนละ้วไม่ไม่ไม่หนุ่มไปข้างหน้านะลูกหลานนะเ อ, อเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเองนะ ศ า, าลาหลวงพอ่อหลวงพ่อกัอนนะ่ะเอยปีนี้มองขึ้นศาลาชั้นบนเอ๊ศาลาของเรามันทําไมมันสูงนักปีนี่ว่ะว่ะนับดูสิสิบห้าคันโอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้ยเคลื่นจักคงจะขึ้นไปปีสองปีใะอย่างมากเจ็ดสิบสองคงไม่ไหวล่ะเออก็เลยนายช่างรถไฟเข้าม า, อาเอ้ยนายช่างว่ะอ่าอัตมาเนี่ย ดูดูแลสาราปีนี้ดูสิว่าสูงผิดปกติตะก่อนขึ้นไปก็พอไหวแต่ปีนี้สุขขึ้นไปแล้วมันหอบเลยนะวะอะแล้วก็เกาะบันไดเกาะราวบันไดขึ้นอีกตะก่อนก็เดินฉับฉับขึ้นไปแต่บรลปีนี้เกาะราวบันไดเห็นได้ชัดเลยเถ้าหากว่าต่อไปภายภาคนาธรรมาคงขึ้นไม่ไหวเอาทํารีบดีไหมหลวงพ่อท่านอาจารย์โอ้ทํารีบไฟฟ้าในอําเภอนายูงของเราเนี่ย มันจะตายเวลาไห น, นมันก็ตายถ้าหลวงพ่อมันไปตายอยู่ในริบหลวงพ่อทําไงเนี <c> ่ย <oughs> ใครจะไปงัดงัดริบหลวงพ่อออกได้อีกทีนี้นคงไม่เหมาะแล้วเอาต่อเติมชั้นล่างดีกว่าเออเอาอย่างนั้นเลยหลวงพ่อเอาต่อปีกเขาก็เลยต่อปีกศาลาเดี๋ยวนี้นะกําลังทำไอ้ลงตรงนังกันอยู่เดี๋ยวนี้ต่อปีกศาลาแล้วก็ปูหินเออเขาก็ถามว่าหลวงพอ่เอเมื่อต่อปีกศาลาแล้วหลวงพ่อจะทําไงพื้นของมันเหร หลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระตามมีตามเกิดถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อก็จะปูปูนซีมเมนต์กระพงจะมีหรอกพอปูปูนซีมเมนต์เทปูนซีเมนต์ทางว่ามีใครมีศรัทธาใส่กระเบือเอ้องเออหลวงพ่อกับรับทางว่าผู้มีศรัทธาอีกใส่หินแกลนิตอ่าหลวงพ่อก็จะรับเ อ, อถ้ า, าโอ้ยไม่สมฐานะหลวงพ่ออกินแกลนิตต้องเป็นทองคำเออหลวงพ่อก็จะเอา เออหลวงพ่อตามมีตามเกิดนะลูกหลานนะวะเออแต่นี้เขาก็เลยบ่าเออถ้าย่างนั้นพวกผมขอถวายหินแกลนิดเออทางจังหวัดพิจิโนโลกหลวงพ่อผมจะส่งช่างมาเลยหลวงพ่ออังคารนนั้หลวงหลวงตาอังคารพระอาจารย์อังคารหลวงพ่อเออเอารับเดี๋ยวนี้เขาบอกเลยปูหินกันอยู่นะอหลวงพ่อก็รับได้หินไม่ถึงทองคําว่ะ คิดว่าหลวงพ่อคิดว่าถ้ามีใครถวายพื้นทองคําาจะเจ้าทองคํามั่งวะวะเพราะมีศรัทธาใช่ไหมละ่ะออถ้ามีระดับไหนเราก็เอาระดับนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเราก็ปูปูนซีเมนต์เราก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมละ่ะออันนี้ก็เหมือนกันนะคะนะระศรัทธาญาติโยมลูกหลานี่ยลงพ่อมแบบจูแบบสันโดษนะอสันโดษคือว่าตามมีตามเกิดมาไงถ้าเกิดของดีก็ใช้ของดีแนะใช่ไหมละ่ะเออถ้าใช้ถ้า ถ้าเกิดของไม่ดีมาเราก็ใช้ตามที่มันมันมีมานะคือไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่ให้ใครทุกข์ใจเลยหลวงพ่อทําอะไรนะประกาศเลยว่าศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานนะ่ที่มาทํางานอะไรมาทํากับหลวงพอ่อไม่ต้องทุกข์ใจมีอะไรก็ทําตามที่มันมีไม่ต้องทุกข์ใจมีหลวงพ่อเนี่ยชีวิตของหลวงพอ่อทั้งชีวิตเนี่ยอยู่แบบสันโดษมีอะไรแบบอยู่แบบเรียบง่ายอย่าให้ผู้ใดหนักใจ หนักใจขึ้นมามันไม่ดีมันทุกข์ใจเนี่ยมันทุกข์ใจไปนานเพราะฉนั้นอย่าให้ทุกข์ใจเนาะให้อยู่แบบสบายสบายใจทําด้วยสบายใจ เ, เรามีมากเราก็ทํามากเรามีน้อยก็ทําน้อยเนีแต่ถึงยังไงก็ควรทำนะสร้างบุญสร้างกุศลนี่นะเอ่อควรทำเออไม่ใช่ว่าจะมีอะไรเก็บหมดไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเอ่อหลวงพ่อว่างโง่ประเภทหนึ่ ง, องเออมัอนกัรไหนเนีเ่ยเก็บเป็นรู้จักทําบุญ ถ้าทําบุญอิลุยช่ยแชร์เกินไปมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมไม่รู้จักสถานะของตัวเองไม่รู้จักการวางตัวของตัวเองเพราะชีวิตของเราจะต้องได้ใช้ปจัจจัย4อยูนะเออ่เราก็ต้องดูนะให้เหมาะสมทั้งทําบุญด้วยทั้งเก็บไว้ด้วยให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ในการทําบุญทําทานนะมันจึงจะถูกนั่นแหะเศร ษ, ษฐกิจพอเพียงของในหลวง ถ้าเกียเกียร์หาเนี่ยมีแต่ใช้เอาใช้ออกมันจะทันได้ยังไงใช่ไหมเอ่อมีแต่หามีแต่หาแต่เก็บเก็บเก็บไม่รู้จักใช้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้นะใช้ก็อย่าใช้พอประมาณใช้ยังไงจึงจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้เงินมากไปซื้อสัตวระมุขไปฆ่าคนอื่นไปซื้อยาบ้าคันชายาฟินอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันใช้ให้เป็น อ่รักษาเสาะแสวงหาด้วยความมั่นขยันแล้วก็เมื่อขอยันแล้วก็เก็บไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์น่แหละเมื่อใช้ก็ใช้คิดก็ก่อนค่อยใช้ไม่ใช่ว่าได้มาแลยใช้สุมสุ่ม5อันนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไมไมถูกอีกเหมือนกันอันตอนนี้ไปพระสงฆอนุโมทนาให้พรนะกันเน้อ